เออวันนี้เมื่อนี้ยเนอพี่น้องลูกหลานคณะช า, าติญาติโยมเอ่อเมื่อกี้นี่ท่ายกฟัน阿拉าธานาเทศหลวงพอ่ออินถวายวัดปาน่าคำหน่อยจะเป็นองค์แสดงธถรมกําลังหนึ่งขึ้นนั่งถ้ำมาตีแหละที่ศีบอกยังให้พี่น้องลูกหลานคณทชาญาติโยมเลยฟังเมื่อนี้เป็นมือมองค้นมหามงค้นเป็นงานสมโพธเจดีหลวงปูสอน ปัญญาวะโลและทอดกะินสามัคคีวัดป่าภูคันจ้องบ้านคำร่วงตําบลคำร่วงอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีแล้วก็วันที่5พบห้าจิกายนพุทธศักราช2556แล้ว้และมืออื่นเป็นวันที่สพเป็นการทอดกะินสามัคคี เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อบำรุงวัดปลาผู้คันจ่องของพวกเฮ้าเน่าพี่น้องสัทธาญาติโยมทุกมูทุกเล่ากานว่าผู้ใดจิตได้กลับมือนี่ก็เอาฝากจะทุกข์ใจไว้ก้อนใส่ตู้ไว้ตู้บริจาคไม่โยเพื่อให้ได้บำรุงพระพุทธศาสนาพอวัดว่าศาสนาแต่ละปีปีหนึ่งก็มีขั้งเดียวนะ่ะที่มีการทอด กะินหรือทอดผ่าปลาบำรุ่งพวกเข้าเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทก็คือบริษัทอย่งบริษัทหางล้านบริษัทจำกัดบริษัทอย่างที่ในเมืองไทยมีตังเยอะแยะอันนี้พวกเข้าในน้ำพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธทพวนันปีหนึงพวกเขาก็ได้ธนูบำรุ่งบริษัทของพวกเข้า ถึงจะมากหรือน้อยอันนั้นก็นตามกําลังรัท่าว่ามีการบังคับกันแต่ว่าถึงอย่างใดคือนอาที่พวกเข้าจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลกันหาว่าพวกเข้าบอกสัง่งกุศลกับบอกเกิดเลยเอ่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าอ่าปุญญาณิปัลโล ก, กัตสมิงปฏิฐถาโหนติปานิหนัง บุญยอมเป็นที่พึ่งของทรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี่และโลกนาคานาวาโลกนี่คือกันคานาวาภูโบได้สั่งคุณงามความดีคุณงามความดีมมดจะคุมข้องเฮาใดจังใดมิแต่ทำแต่ความซัวเอ่อการจัดมุนโรไปหาเออป่นหาจี้หาลักหาคดหาโกงเขาเอ่ในพบนี่ชาตินี้เอ่อความบ่ดีก็จะต้องตกมาหาเดี๋ยวเขาก็จับเขาคุกเขาตะล่าง คณะว่าเฮ้าประกอบแต่คุณงามความดีไปสถานที่ใดเฮ้ามีแต่ไหมีแต่ทรงคออนุเคาะ์พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมีแต่ส่งว่องสาขาหนาหยาดไปใส่มีแต่ความอบอุ่นล่ะทีนี้เพือใดเพาะการสร้างบุญเพราะนั่นไร้หลักธรรมค้าสอนของพระพุทธเจ้าพญาวา่าให้มีธานเนอให้มีศีลเนอให้มีภาวนาเนอะนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือนี่แหละพัวเฮ้ามา รวมกันแสดงออกถึงนำใจเปื่อมาทํำท่านอย่างพวกเข้าเห็นนี่แหละเมื่อนี้เป็นงานของฉลองสมโพธิคือหลวงปู่สอนหลวงปู่สอนเนี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วว่าเป็นมูของหลวงปู่เพียรเดชพ่อจัมพ่อพิษนะ่เอเป็นมูของหลวงปู่เพียรวิรโย วัดป่าน้องกองฮะอะไรพนเขื่อยบวชน้ากันได้สมัยเป็นหนุ่มเพนว่ะต่อมาพนละไล่ชิคขาหลวงปู่สอนเนี่ยแต่วันนี้ใส่ดีเขากันได้กับหลวงปู่เพี้ยนบ่ายนี้ต่อมาเพนก็เลยมีหลุมมีเตา่าเพนก็เลยมาบวชป่านี่กับมาบวชเนี่ยเป็นผู้ตั้งใจดีแต่หูบกค่อยดีหอกหลวงปู่สอนนี่หูบกค่อยดีแต่เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจดีมากใจดีตั้งอกตั้งใจภาวนา เป็นที่ย่อมรับของหมู่ของเพื่อนของสหถรำอีกทั้งหลายนี่แหละโลก ก, ลลกัลวงปูดวงก็องหนึ่งหลวงปูดวงเป็นคนนั่มโสมของเฮ้าเนะี่ยเป็นญาติของกับผูเเ้ใหญ่เกง่งผู้จักตู่เกง่งตู่เก่งคงจุงหุจักแต่หลวงพ่อก็เลยถามว่าเป็นญาติของพระตู่แล้วก็ตู่ดวงนี่ก็โอ้เป็นผู้ตั้งใจดีขึ้นกันนี่แหละเจดียกข้างล่าง แต่นี่ต่อมานี่กันนะหลวงปูสอนกันเลมรณภาพอีกพระทรงองค์ขเจา้า น, น้องนุ่งทั้งหลายก็เห็นว่าเออเป็นพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงปูสอนนี่ก็น่าจะมีเจดีย์จอมย่อมขึ้นมาเพื่อเป็นทีลำลึกถึง เ, เพื่อเป็นทีกล่าวไบท์ของพวกน้องนองลูกลูกรังร้ า, านต่อไปผ้ายภาคนาเนี่ยจึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาแบบจอมย่อม ก่อนดูๆแล้วก็กระทัดรัดดีขึ้นกัน เ, เพราะนั้นมือนี่ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลในวัดปลาผู้กันจ่องของเฮ้ามีซองเจดีเนี่ลูกหลานคณะศรัทธายาดย่อมเจดีหนึงเจดีหลวงปู่ดวง เ, เจดีหนึงเจดีหลวงปู่สอนีน่นเจดีหลวงปู่สอนนี่ก็สรุปแล้วก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปูเยยงป่เพียรวิริโยหลวงปู่เพียรก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัว เป็นลูกศิษย์รับคันผู้ใหญ่ผุนล่วงรับรับคันไปพัวเข้ากฤติสังเจดีวัดปลาหนองกองได้ เ, เจดีย์ใหญ่ไงนี่แหะอันนี้แหะคือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสําหรับบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เพิินปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผัวเข้ากฤติส ร, ร้างเจดีเป็นทีล้ำเลิศบูชา พ, พระคุณของเพลินนี่แหละ ให้ลูกหลานเขามากาบมาไหว้เ้อช่วงในว่างๆนะแล้วก็พร้อมกันนี่แหละาการแสดงออกซึ่งนำใจคือท่านส่วนศีลก็จะให้ขาดตกปกพ่องเนอ้อคณะาท่าแงา่งโยมลูกหลานค้นเห่าเจอข่าวว่าบ่มีศีลบ่มีถ้ำแล้วก็อยู่น้ำกันยากลำบากได้เระแว่งแข้งใจกันเพราะเหตุใดเพราะบ่มีกรบ่มีระเบียบการอยู่น้ากันัน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 เวทจันดรก็ดีเนมิราชก็ดเีเตมิยะก็ดีมโหสถก็ดีพวกเข้าจะเห็นในศินหาของบุคพุใเจ้าเนี่เป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรตั้งแต่สร้างโลกเป็นก ฎ, กฎกติกากันมาหนึ่งยาขากันสองยาขามโามยกันสมให้เคารพสิทธิสามีภรรยาของกันและกันขอที่สี่ยากี่ตัว โกหกหลอกล่วงกันข้อที่หาอยากกินเหล่าให้ขาดสตินี่แหละสินหาของพระพุทธเจ้าเี่ยสินหาเี่เป็นสินคุมข้องโลกมาตั้งแต่ดึกําบัรพ์คานว่าพวกเขามีสินหาประจําหรือว่าเขารบในสินหาของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเข้าจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุกเน้อการอยู่น้ากันคานว่าพวกเข่าขาดสินหาเลยมีแต่ความเราแว่งแค้งใจกันจกักไพลศีกาไปแล้วกลับไปน้ากัน อยู่น้ำกันกับจักแม่นไฟสิลักขโมยรองเท่ากันอีกต่างหากออกจากนี่ไปแล้วนะอพอว่าพอมีบ่มีศินดเดตต้องเระแว่งแข้งใจกันข้อที่สามกาเมคือกันสามีภรรยาลูกหลานของไปว่าไปบอกไปคุยก็เราแวงแข้งใจกันแล้วเอมันจะไปทางใดเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือว่าบ่มไว้ใจกันพอมีสินถต่มีศินแล้ว ที่เราบอาเป็นยังสั้นอันนี้คือสินขอที่สามขอที่สี่มุสายาไปขี่ตัวกอฮกหลอกล่วงผู้อื่นเขาอันนี้ก็คือสินขอที่สีแต่เมื่อ น, นี้หลวงพ่อจะบอาวสินขอที่หาเป็นนี่ท่านเป็นชาติโกให้พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษานะคือสินขอที่หาเป็นสินยาไปดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนเ้านี่ถ้าดื่ม กินสุล่าขั้นชาติยาฟินเฮลรอินยามากยาบ้าโคกเขตอีกยังก็ตามคานวากินหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติละทําความสัวทุกอย่างเป่นว่าเพราะนั้ น, หนให้จำร่วมให้ระวังเนอะพี่น้องลูกหลานทุกขู่ทุกคนคานว่าพวกเข้าอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีคนยงๆนับถือเรื่มใ ส, ส่ซัดท่าไปยูนัสถานที่ใดจิบมมีโทษมีไพ่ ทำร่วมไผเราว่างเนอ้อของเรานี่เพราะว่าเรื่องโซลาเนี่ยมันเป็นของบอดีเป็นของหาโทษมาจากแต่ดึกตําบันเ์พันว่ะพระพุทธเจ้าเพันว่าเออพันก็เลยปาลบเรื่องหลานของอานาถาบินดิกาเศรษฐีหลานอานาถาบินดากาเศรษฐีนออนาาดดเนี่ยคืออานาถาบินดิกาเนี่ยเป็นคนตระกูลรุ่ยได้เออพ่อแม่พันกล็ลุ่ยก็แล้มาแบง่งมรรกกันพอมาแบง่งมรรกกันน่ะ พีไส้ก็ได้ส่วนหนึ่งอนาถาไม่ดีกันได้ส่วนหนึ่งคนละสี่สิบคนละแปดสิบโกรธแปดสิบโกรธพ่อแบงกันแล้วบาดนี่กระตังขนกระตางออกไปสร้างตระกูลของไผ่ของมั่นพ่อพี่ไส้เพลินไปเนี่ยไปไปสร้างตระกูลพอสร้างแล้วบาดนี่ลูกไส้บอดีบาดนี้เออลูกไส้บอดีออกไปสูกไส้มิตเทียวมิตเลนเออบอลล็อทอดเป็นท่ายาดของพอนี่แหละ ในหลักธรรมขั้มสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจโทระของท่านดำรงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอลอดเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้มิเป็นอาทีของลูกสาวลูกชายเ่พี่น้องลูกหลานให้ฟังเอาไว้นะอันนี้ลูกของ พี่ชายของอณาถามิติการเศรษฐีนี่บอ่อเป็นยังสั่นจะแล้วบาทเนี่ยบ่ อ, บอเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่แล้วก็บอ่อถ้ำตนให้สมควรควรรับทรัพย์มอระดกพ่อพ่อแมออ่แกเถ่าชาล่ามาทนันระบาดเนี่ยก็เลยแบง่งแบ่งสมบัติให้ลูกลูกอันไรกันนะ่ะต่างคนกับต่างเอาเงินไปถลุงจะแล้วบาทเนี่ยไปเล่นการพาน้งไปเล่นการพานัน ไปกินเหล่าเมายาคบหมูคบเพื่อนเอาไปมาตะกูลเลยแจ่งพ่อแจ้งบาานเอก็เลยเขามาหาอาณาถาไปดีกาเสฐีปูเป็นผูปเป็นอาวนะไปไออาอาจารย์ผม่มีเงินใส่ผมของเงินใส่น้าอาแล้วอาจารย์ห่วยสูบมันเจ่งประนันตนีครับอาจัรน์เออเอาเอาไหา้พ่อเอาไห้ไปแล้วมาขอเอกเออพ่อมันมันมือเติบเลย เทือ่ที่สองนี่เอาอีกอนาถาบริอ้าวมันทำไมมาขอทีนักละ่ะมันเป็นอย่างไรล่ะผมโมบีเงินครับพอเทือที่สามนี่มันเป็นอย่างไรยังมาเอาอีกอบอกว่าผมเจงมุดล่ะทีบ้านทีเฮื่อนทีทามาหาเลี้ยงชีพผมเจงมดเลยมันเป็นอย่างยังเจง อ, าอนาถาทีบอเป็นอย่างยังเจงพบผมไปเล่นการพระ่านเพรผมไปกินเหล่า กินเหล่าครับอผมกินเหล่าย่างมากเลยครับผมก็เลยติดมูติดเพื่อนผมก็เลยตั้งตัวบุหรี่เมครับเมิร์ดตัวครับอนณาถาเป็นดีกะเศรษฐีก็เลยบอกเอาเอาไห้ข้างนี้เป็นข้างชุดท้ายนะไปเอาไห้หลายพอสมควรไปตั้งตัวนะขั้นตั้งตัวบุหรี่ยา마อีกนะขันมาอีกบาท น, นี่สีใส่ใจคือใส่ค่าลากออกแท้แท้เด็ดพัดเสน่ห์กำลาบไวโอนไป มาเนี่ยพ่อหาไปแล้วมันก็จะจายอย่างไรมันบ่มีมันบ่ละก็เข่าม้าอิริอีกคนออกไปพอเข่ามาอนาถาบดีเอาอิริแล้วเอาไปจริงจังเนี่ไปเอาคือค่าใจวัฒนสมัยก่อนคือค่าคือกันใหม่ใหม่ไพ่เฮาทีเดียมันบ่ละคือกันครับอ้อย่างใสล็อกข้อแล้วก็ลากออกไปแล้ววนออกไปเออลากคนออกไปออกจากบ้งการออกไปจากบ้านเฮาเดียวนี่วัฒนเนี่ เออเข้าพอจะเห็นนาลูกนาล้านแบบนี้ว่าจะเนี่ยมั่นเฮ็ดจังไดอดจูดูใดเออพอแม่ลำลุ้ยก็รอคนเดียเอาไม้ทะลุงกินเหล่ามดอย่งเฮ็ดจึงซีใดจังใดไปออกไปลูกน้องบริวานกันลากข้อออกไปพอออกไปแล้วบาดเนอณาถามธิบดีก็บ๊อสบายใจขึ้นกันนะเพิ่นมันเฮ็ดเกินไปหรือเปล่าน้อเข้านี่วเสน่ห์เพิร์ลวานะเพิ่นก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าตอนบ่าย เออหน้าท้าบุตีกะเพราะเป็นยมอุปถาพระพุทธเจ้าเด้ยเขาไปกราบพระพุทธเจ้าข่าวข้าพระองค์ได้ใสคือข้าหลานใช้หลากออกจากบ้านเมืองเหนือสันทีเหตุเกิดไปหรือเปล่าของบอลูแล้วไปเจ้าข่าวสันนี่เออแต่มันเลืออตจริงๆว่าสันนี่เปนวาน่ะเออมันมาขอต่างร้ายเถื่อก็บอกแล้วห้ามแล้วสันนี่มันก็ยังนิสัยกรยั่งคือเก่าอยู่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่า โออนาถาเป็นดีกาเศรษฐีเด้อท่านเนี่ยอันค้นซัวเนี่ยเลี้ยงจังไรมันก่ใหญ่บ่เป็นท่านเี่ยนี่แหละวิญญาณอันนี้แหละเร่าตถาคตเคยเลี้ยงมาแล้วแบบนี้ท่า น, น, น, นเปินว่าอแต่ถาคตนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยพบเคยเจอมาแล้วเนี่ยวิญญาณดวงนี้แหละว่านเนี่ยออนาถาเป็นดิกาเศรษฐีก็เลยถามกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข้าพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเข้าเป็น เศรษฐีอยู่กรุงพาราณสีสัมผัสว่าเราเป็นเศรษฐีใหญ่อยู่ในกรุงพาราณสีในกรุงพาราณสีนั่นเข้าขอตั้งโลงท่านเพราะเขาเป็นเศรษฐีเขาล่ำรวยเต็มที่เขาจิตใจเขาเป็นกุศลในจิตในใจเข้าก็เลยตั้งโลงท่านสีมุ่งเมืองสีประตูเมืองคนละไปสำหรับประตูละแสนให้ประตูละแสนในเวลาคนเขามาก เดินทางมากเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเดินทางมาก่มมีอาหารการบนพวกกุตก้อนมันบมมีล่านคตาคงจะบวกคือจังคุ ม, มือเนี้มา่งเาตั้งเป็นโลงท่านเขาก็เลี่ยงคนคนเดินทางไกลมือไอ้มากก็เลี่ยงสีม่มุมเมืองแล้วก็อยู่ในกลางเมืองอีกโลงท่านหนึ่งแล้วก็ในประตูบ้านของเจ้าของอีกโลงท่านหนึ่งร่วมแล้วเป็นโฮคลงท่าน ใจง่งย่อนมือลาะหกแสนกะหาปะหนะพอไปเศรษฐีผู้นี้พอนไปจิตใจของพ่อนเป็นกุศลตลอดเนี่ยมือเศร้าไปเยี่ยมลงท่านน่นไปเยี่ยมลงท่านนี่จิตใจพ่อนเ อ, อิไเยี่ยมด้วยศิลโดยท่านพอนไป mm hmm. พ่อจากนั้นต่อมาพา่อกระมีลูกชายอีกผู้นึ่งมาเนี่ยลูกชายผู้นึงแต่ลูกชายผู้นี้ก็เนี่ยแหละหน้าตาดีแต่ก็พอก็พยายามสอนลูกขอนไปให้ให้เดินตามพอ เออดูลูกเอ้ยเดินตามพ่อน่ะเหตุแบบพ่อนี่เนะตระกูลของเฮ้าก็เงินของเฮ้ากับมีพ่ออยู่เออให้ทํำบุญทําทานนะลูกเด้ะแต่ลูกชายบอแล้วต้นหาพ่อก็ดีอยู่เอ่อแต่ว่าต่อหลับหลังอ่ะใบใบบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยใบใบวนไปเอเอบอกตามท่ำข้ า, า, าพ่อสั่งแหละพ่อต่อมาบาดเนี่พ่อก็เลยตายเพราะพ่อตายจะ น, นี่ลูกผู้นี่เนี่เออ บ่เห็ดตามพอสั่งแถแล้วบา้านพอเนี่ยโอ้ยโง่ไปหาสงขเคผู้อื่นได้ยังนี่จะเอาเงื่นคนไปให้เลี้ยงผู้อื่นเฮ้าเนี่โอ้ยบ่อแล้วจะกินมันมัดน่นนะเอาไปมากก็ได้สมัครพักพวกหมูพวกเพื่อนเอาเหล่ามากินแถแล้วบา้านพอเอาเหล่ามากินแล้วก็เอาโดนตีม้าเล่นสนุกสนานคืนแข่งม้วนซืิญแ่แล้วบา้าดเนี้ยโอ้ยคนก็ชอบนะคนก็ล้างไรมาก เออว่าเศรษฐีใจใหญ่คนนั่นไปเออบอกคือพอพอในขีธีมิจะหายท่านอย่างเดียวแต่พอลูกชายนี่ยบ่เหตุคือพอคนนั่นไปเออพวกนักเล่งนักเล่งสุร่าทั้งหลายข้อสุร่าทั้งหลายคือชอบใจกับลูกเศรษฐีผู้นี้คนนั่นไปต่อไปกีดไปกีดมากคือมีจะไดนผมมาทํามากฆ่า ข, า, ขายแมนบอล่ะเอาไปมากกันเจ่งจะแล้วบาทเออพ่อเจ่งแต่ถ้าผู้พอเนี่ยพอตายแล้วไปขึ้น อยู่สวรรค์เนี่ไปเป็นพระอินยุ่ทั้งฟ้าพอนะอยู่สั่นดาวดึงพอนะ เ, ออเศรษฐีผู้ที่มีน้ำใจเนี่ยเออพออันนี้สงท่านพคนเด้เคนกว่างขวางเด้ผู้ที่มีกว่างขวางเป็นผู้ที่มีน้ำใจอันนีงสงท่านเนี่ยนั่นแหละไปอยู่สวรรค์ชั่นดาวดึงเป็นพระอินอแต่ลูกชายในบาดเนี่ย เ, เล่นไปเล่นว่ากินไปกินมาเมดเจงบาดเนี่ยพ่อเจงมาก ขายให้ขายหน้าขายเงื่อนขายสัน้นขายมัดกิจการเอาไปมากเลยเป็นคนขอท่านบาดไปนค้นขอท่านผู้พอ่อยู่บนสวรรค์เหลียวเหลือบลงมาเบิงทั้งใตโอ้ยลูกของขาดเป็นยังไดนาะจะนี่นเออมางทีรักษาแนวทางของพ่อไดบนนุนนอจันพ่อมาเบิงที่ไหนได้มันเจ่งเพรแห้งล่ะจนละ่ะตายเฮ็ดจังใดแค่นี้ผู้พ่อก็ยังยังนับถือว่าเป็นหัวอกของ ของพออยูด่ดิลูกถึงจะชัวร์ป็นได้พอก็ยังนับถือว่าเป็นเป็นลูกของพออยนเอาไปบ้านเอกเล่ลงมาเอลงมากับ ม, ามาหาลูกนิลเมตรตัวเองเหมือนกับเป็นเป็นเศรษฐีสมัยกอ่อนนั่นแหละเอาไปอลูกพอผููพอลูกชายนี่ก็จําได้ว่าเป็นพอของเจ้าของเอาไปพราะพระ อ, อินทร์เป็นนิรเมตรเป็นพอของ เ, ออเศรษฐีตกทุกข์นั่นเองพ่อมากเลย โอ้เป็นไงไอลูกลูกยอดที่รักพันว่าเด้เออพันเอิ่อลูกพันเอือยอดที่รักของผอสันเดชเป็นยังไงเอาสันเดชโอ้ยผอผมตกถูกตกจนแล้วสันเดชเป็นอย่างไรเ ล, ลยยังตกจนเอาสันเดชโอ้ยผมทําตัวบดอวดีเอผมบริเฮตยังพอบอกแล้วสันเดชผมก็เลยกินเหล้าเมายาติดมูติดเพื่อนโอ้ลูกเออต่อไปนี่ลูกสิสำลอมระวังใดบ่ล่ะได้ครับ ผมจีกับตัวกับต้นไมคขณะวา่า อ, อผมจีรุ่ยคือเก่าฉันคือเอาผููพอก็เลยให้หมอน่วยนึงมาหนิหมอดินนวนออกไปมอบหมอดินให้น่วยนึงเอาลูกเอ้อเออขณะว่าอยากจะได้เงินเท่าไหรก็ให้อาตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ร่วงเงินเขาไปในหมอนี่เด้ อ, อ, อแล้วจะได้เท่าไหรแล้วก็ที่ความจะเลื่อนลง เรื่องความรั่วจะเกิดขึ้นมาอีกขับลูกอีกขับผมมาหลยพระอินก็เลยเป็นคนดีแนละ้วลูกเนดะ้อให้สางบุญสร้างกุศลนนะั้นลูกนะสร้างเสียเย็บดียวนะพระอินทรเนี่ยพลก็เลยหายปับ๊บขึ้นไปสู่สวรรค์คือเก่าบาฮาเนี่ไอ้นุ่มนี่ก็ได้หมอแล้วกัล่วงเมื่อเขาไปแล้วกันสื่อสิง่งสื่อของสื่อของใส่ามาไม่ไม่ไมมก็ดีแล้วเมนบละ่ะ เออพราะมันเคยถูกเคยจนมาแล้วเด้ดีป่านยังเราไปซื้อคิงนิ่งเราไปพ่อต่อมาต่อมาป่านนี้ลวยขืนลวยขืนลุวยข้นเ น, นี้ยป่านนี้อยากเอาย่ำไดก็ได้เพราะมันเงินอยู่ในหมอนอ้อเด้ล่วงมือเขาบดได้ก็อยู่ในหม้อบาหาต่อมากิดพวกขี่เราดุนไฟกอมันเกิดเขามาเอกบานนี้ลูกพี่บ่เลี้ยงในบ่อพวกเอาไปมาลูกพี่เนี่ก็เห็น กิเลสเกาขึ้นมาเองคนออกไปเอาไปมากกับเลี้ยงมูอต่อมากกัเลี้ยงหมูก็เลี้ยงจุกของน้ำพร้อมนะ่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมากกเข่าอีรอบเกาอีคือเกาแล้วบาดเออเข่าอีรอบเกาบาได้พอกินเหล่าขอบไปแล้วบานนี้คืดสนุกจี่ไหนผลย่นหมอขึ้นฟ้าที่แล้ววันนี้โยนแล้วก็ฮับโยนแล้วก็ฮับโยนแล้วก็ฮับคนออกไปบาอะไรฮับอะไรทั้งกี่เร า, ามันตาไล่ได้มันวารบาดนี้ เออมันตาล่ายโยนขึ้นไปกับพัดลงมา ก, กับต๊กปุ๊กลงมา ก, ก้อนเด่นใช่ไหมมอแตกบาดนี่โอยนางจุกปุกเลยบาดนี่เออพอได้ชดก็เลยมอมีเงิน่นสีจกบาดนี่พราะมันหมอแตกเลยเดีเออเอาไปมากก็เลยจนคือเก่าพอท่านตายอีกคนหนึ่งจนรอบสองมาพระอินอยู่ทั้งฟ้าเพิ่งนะโอ้ลูกเลย อวินยานงโง่นี่เลี่ยงจังได้มันกบบระโบจะเลินพูดว่าวินญ่านงโง่นี่เลี่ยงจังได้มันกระโบโ บ, บขืนโบเกินเออสี่เลี่ยงสี่ซุบสิ่นธนุถนองปันได้สีสร้างสี่สอนปันได้มันกระโ บ, บขืนโ บ, บเกินเพราะวิญญ่านมันงโง่พูดว่นานี่แหละขอให้ฟังเอาไว้เนี่ยพวกเข้าท่านทางหลายเนี่ยกัรนาว่าพวกเข้าคือทุกขู่ทุกขอนที่นางฟังอย่างนี้แหละอบว่าวา วบวะะ บ, อ บ, ออบว่าบวบวเน่นบวบวากูบาลจานบวบว่าข้นะระดับใดาบาคดานาวาอยู่บวกรีบบวการเป็นวิญญาณโง่ได้พันวาเพราะนั้นต้องสำร่วมต้องระวังสิ่งไหนที่มั่นบอดียาขิดยาพูดยาทำในสิ่งที่มั่นบอดีให้สำล่วมระวังเอาไว้คานว่าเข้าสำร่วมระวังเอาไว้แล้วนั่นแหละต่อไปไา่ภาคนาจะเป็นข้นดีนั่นแหะอันนี้เราวิญญาณดวงนั่นแหละเหตที่มากเกิด เออเป็นหลานอนาถาบิธีกาเจตีในปีนิย่านดวงที่เข้าเลี้ยงนะมาพบนี่สานอิมมันก็นยั ง, งโงอีกเพิ่นวะนี่แหละขอฝากไว้กับพี่นอ้องคณะ ท, ะทัตธาญาตโยมลูกหลานทุกขู่ทุกคนเนอะนี่แหละเรื่องเอชาดกเพิ่นสอนไหวเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับพวกเข้าท่านทางหลายสีทา่านสิ่งใดก็ตามที่มั่นบด่ดีอย่าเหตยาผูดยาท่ำทําแต่สิ่งที่มั่นดีเป็นสินเป็นร่ำ พวกเขามีแต่ความจะเริ่นรุงเรื่องไปในสถานที่ใดก็พร้อมกันเนอหลวงพ่อขอยำเตือนพวกเข้าทันทั้งหลายได้พบได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่กูบาอาจารย์สายหลวงปูหมันของพวกเข้าเนีอย่างที่หลวงพ่อเขามาถามเมื่อกี้นี่หลวงพ่อว่าเขาถามว่าหลวงพ่ออินจีเฮ็ดจังใดสีเขียประชาคมอาเซียนนี่เท่าสีเขียวจังใด สิ่งจะมองบอ่เสียเปรียบเขาเอาจังไรสิริ่งจะเจริญลุ่งเรื่องในหลักธ้ำขัําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีแนวทางที่จะพาดำเนิรนไปในทางที่ถูกต้องดีงามมีรักอัยัางแน่งหลวงพ่อก็บอกว่าเออาำรับหลวงพ่อนี่อยู่ในป่าในดงพงไผ่เป็นพระมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเป็นหลวงปูหลวงตาป่านนี้ละ หลวงพอมองบวเห็นอย่างอื่นนอกจากศนะีลหาเนี่ยหลวงพอวานเะนีศีลหาของพระพุทธศาสนาศีลหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าว่าทุกคนมีศีลหาแหละมิแต่ความเจริญอย่างเดียวนั่นนะพราบวเบียดเบียนกันบอขโมยกันเคารบศีลสามีภรรยากันยาขี่ตัวกันยาต้มตุลหลอกล่วงกันยากินเหล่าให้ขาดสติอันนี้แหละคือศีลหาจากนั้นคารวัตธรรมเนะคารวัธรรมคือให้มีสัจจะตอกัน การอยู่น้ากันให้มีสัจจะธรรมะให้รู้จักคมจิตของชมใจเจ้าของขันติให้มีความอดทนจ่าคะให้มีการเสียสละต่อพีต่อหนองต่อเพื่อนต่อฟุงต่อวงสาคนาญาดในแหละมีแต่ความเจริญแล้วก็ให้เคารพทิศทั้งหกเนอทิศทั้ง 6, น, ง6นั่นคื อ, อยังพวกเขานี่อย่า ง, งแต่ทิศทั้งสี่หรือทิศทั้ง8ทิศทั้ง4ี่คื อ, อยังทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศทั้งหกทิศทั้ง8ปดคื อ, อยังอาคาเน่บูรพา ผ้ายับเนั่ยนะอาทิย์ทั้งแปดทิศทิศ ท, ท, ท, ทั้งหก น, น, น, นี่ยผกเข้าผูเคืได้ยินบันทีหลวงพ่อจีบ่าทิศทั้งหให้ฟังนะ้าในหลักธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเพณว่าผู้ใดก็ตามให้นอบน้อมคารวะกราบไหว่แหม่ย่อมรับแหมยินดีกราบไหว่ต่อทิศทั้งหมีแต่ความเจริญรวยโซนโซนเดียวมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวที่ทั้งหคือ้ยัง้ง ทิดเบื้องนาคิด เ, เบื้องนาก็คือข้าวเกิดมากพ่อข้าวเกิดมากแหละข้าวเลื่มตาเห็นพอเห็นแม่กอนหมูได้แม่บอระพอพอแม่เลี้ยงดูข้ามาได้ข้าวเลื่มตาเกิไปเห็นพอเห็นแม่นี่ยแหะทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเมื่อบานดาบิดาเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก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 ให้อุทมบุญอุทิศส่วนกุศลหาพอหาเมียเนอะอันนี้คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาให้เคารพศีรษซึ่งกันและกันเนอะอย่าไปล่วงล้ำอธิปไตยซึ่งกันและกันอย่าไปนอกใจกันให้ฮักกันให้มีเมตตาต่อกันก่อนจะได้เป็นสามีภรรยาก็คือคู่หัวผัวเมียก็คงจะเค่อยสางสมบุญบา ร, รมีมานำกันน่านต่อน่านแล้ว อยางไรมาอยู่น่วมกันอย่าไปเป็นคู่หักอย่าไปเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตบาดหมางกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีความหวังดีต่อกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนอคันว่าพวกท่านทั้งร้ายมีความหักข้อรบในสามีภรรยาในคู่ครองแล้วมีแต่ความเจริญอันนี้คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาคูบาอาจารย์พวกเฮาเกิดมาต้องมีคู่บาอาจารย์ โมเมนติที่โผล่ทะเล ข, ขึ้นมาเลยก็จะเฉลียวฉลาดบมเมนต์เนีเฮ้าเกิดมากก็ต้องเขาลงล้าอันดับแรกก็คือพ่อแม่ของเฮ้าเนี่แหละเป็นผู้สอนก่อนโมพ่อแม่ของเฮ้าเป็นผู้สอนก่อนโมแบบเป็นบุพภาอาจารย์เป็นอาจารย์ของบุตรธิดาต่อมาพ่อแม่สอนหลักผนก็ทรงเขาโรงเรียนปถมปมัธยมปริญาตรีโทเอกจากนั้นพ่อจบหลักก็ยังมาฝึกวิชาอาชีพวิชาครับรถวิชา เอทักลอยวิชาเย็บจักวิชาทำเอาหงอาหารมากมายต่อตลอดถึงวิชาสอนเรื่องพระพุทธศาสนาอให้สู้จักสิหนหูจักรทมเรานี่เป็นต้นนะอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคู่บาอาจารย์เพราะนั้นคนเขาต้องมีคู่บาอาจารย์เห็นคู่บาอาจารย์เข้ามาในวงสนทนาและเข้ามาในวงการให้ลุกขืนยืนหลับไปคลอยรับใชยัยด้วยเสือฟังหรืออุปถา ด้วยเลี้ยนศิลปะวิทยาจริงที่เขายังจะเลี้ยนอีกโยให้ละเขารบเพิินอันนี้คือคือนาทีของศิษย์ทั้งหลายทิศเบื้องใายมิตรสหายพวกเข้าต้องมีมูมีเพื่อนกานว่าวบมีมูมีเพลินนี่ยบมีมีดบมีสหาเนี่ยการทํา ม, มากค้าขายบนเจื่อเด้เพลินวางสัน้นการในญ า, าน่ะมีด เ, ดเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากจะไปหักหนาหักหลังเขาให้มีสัจจะอ่ากานว่าทํา ม, มากค้าขายยังก็คือกัน คันวาได่จังไดขาดทุนจังไดกำไรจังได ส, ส่งคลืนมือใดสินค้าจะตกมือใดจิตใจเงื่อนมือใดกายมีสัจจะตอกันนี่แหละกัญยาณามิตรคันพูไดมีกัญญาณมิตรที่ดีไปมาหาสู่กันมิตะความเจริญอันนี้ก็คือทิศเบื้องสายมิจะหายทิศเบื้องตำ่ำลูกน่องบริวานกันว่าพวกเขามีบริวานดีลูกน่องดีเฮาเป็นเจ้าน่ายเขาเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็ต้องเบง่ง บริวานของเฮาเขาเจ็บไข่ได้ป่วยจังไดเขาขาดเหลือขาดตกยังเขาเดือดรอดยังอันนี้เฮาก็ต้องเบิงคันว่าเฮาเบิงเขาดีเขาก็ให้ความอบูนเขาค่ะทำการทํางานให้เฮาจางสุดจิตชุดใจขึ้นกันคันว่าเฮาไม่แต่เอารัดเอาเปรียบเขาวเขาเขาจะดีกับเฮาได้จังใดเพราะน่นนะทิศเบื้องต่ํำลูกน้องบริว่านไข่เบืนะ้องใบเน่า เทศเบื้องบนสมณะพรามสมณะพ่างคือนักพจนนักบวชอย่างที่ลงพอดีแหละบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพี่น้องพระชาชนศรัทธาญาติโยมอันนั้นดีอันนั้นชัวอันนี้ควรบอกวนเน้อคณะศรัทธาญาติโยมหลูกหลานเน้อให้เป็นคนดีเน้ออันนี้คือสมณะพรามคนว่าพวกเข้าบอกเคยเข้าไปหาสมณะพรามบอกเคยสนทนาปาลบมีตะกูนี่กูแกงกูแกงกูแก ง, กแกงเอาไปมากกับเจงได้ขึ้นกันเด้ เพราะทิฏฐิมานะมันสูงขึ้นไปเรื่อยผมมีผู้ใดสอนเดวันนั้นขอให้พวกเข้านะคะทัตถะญาติโยมในละทิศทั้งหกตีพระพุทธเจ้าเปนวากันว่าพวกเข้าอยู่ในทิฏทั้งหเขารบทิฏทั้งหกะละวะทิฏทั้งหกราบไหว้นอบนอบทิฏทั้งหมีแต่ความเจริญด้วยส่วนเดียวทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ทิฏฐเบื้องหลังสามีภรรยาผัวเมียทิฏท่วงขวากูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรส์หาย ทิดบืงตําลูกน่องบริว้านทิดเบื้งอง บ, บงบนสมณะพราม์ให้พวกเข้าขลบให้หูจักสัมมาคารวะต่อทิดทั้ง6มีแต่ความเจะเลิญโดยส่วนเดี่ยวนะในขอฝ่ไว้กับพี่น้องคณะ ท, ะท่าญาติโยมลูกหลานทุกขู่ทุกคนเนอะแล้วก็พ้องกันคนเท่าเกิดม่านะเออพ่อมี่พระฤาษอยู่ชั่วฝาดินสลาย ต, ตายทุกคนเดะ เ, เห็นบ่หลงปูสอนเนี่ยเพิ่งกิดตายฮเองเบิงอลไรนี่ยพวกเข้าที่มานส้างทาาสั่ง ในกระดูกของเพลนเนี่ยชีวิตของพวกเข้าเป็นอยงที่ละแต่ว่าตายแล้วบอดศูนย์เนอะนี่แหละให้ฟังเอาไว้แต่นี่เขว่าตายแล้วบอดศูนย์ตายแล้วเกิดอีก เ, อเกิดอีกคือจังไรพระพุทธเจ้าพ่อแม่กู้บาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเพิ่นสอนว่าร่างกายของเขานี่มีศาสตร์ทีดินน้ำลมไฟตายออกไปเผาไฟทิมอีหลีแต่ว่าจิตใจคือน้า ม, มาถ้ำหลวงนั้นนะพอตายเดอ้เอให้ข้าวา หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าคณะพวกเขาอยากจะหู้นะให้นั่งภาวนานั่งภาวนาจิตใจสงบร่วมสงบลงเป็นนึ่งล่ะจะหู้จักเต้าด้วยตนเองร่างกายคือกันกับรถเนี่ยนะแต่ว่าจิตใจคือน้ำบรรทําัมคือกันกับคนขับรถข้นขับรถกับรถถึงผมเป็นอันเดียวกันเดคนนั้นแนวกันเลยอคนรถมันเสีไปไดก็ต้องอาศัยคนขับนี่คือกันร่างกายของเขานี่คือกันกับรถ แต่โซเฟอร์คกอกันกับค้นขับรถแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นให้ความสำคัญค้นขับรถมากกว่ามากกว่ารถเพิ่นจึงว่ายกเป็นบาลีเพิ่นว่ามาโนปุพังขามาธรรมามาโนเศรษฐามาโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจสรุปแล้วก็คือว่าในร่างกายของเขานี่ในรถของเาขานี่นโซเฟอร์เป็นใหญ่ โชเฟอร์เป็นหัวหนาสัมเล็ตด้วยโซเฟอร์เนอะขั้นโซเฟอร์นี่เออขึ้นขี่รถขั้นนี้แล้วเนี่ยจะไปขับไปเหยียบไพลกะ็ะไดเออจิบบีบแกดาวไพลก็ไดเออไปชนไปเฉียวไพกะ็ะไดเออรถขั้นนี้เพราะว่าโซเฟอร์นี่เออโซเฟอร์ขันนี้เป็นผู้ขับรถนี่คือกันร่างกายของเฮาขึ้กันใจขึ้กันกับโซเฟอร์น่ะพี่น้องลูกหลานคณะสัตท่างานโยมเนอะ การพวกเขาอยากจะหู้ให้นางพาอวนาพ่อนางพาอวนาพวกเขาจะหู้ได้ด้วยตนเองบาฮาตายบาดเนี่ร่างกายตายได้ปน้โซเฟอร์ตายได้ไปอยู่ในพงหยาได้โซเฟอร์ออกจากรถได้บาดเนี่ยโซเฟอร์ออกจากรถปนิเพชรยังไงโซเฟอร์ออกจากรถล่ะจีไปใสกันโซเฟอร์ขี่ทุกขันโซเฟอร์มีแต่กินเหล่าโซเฟอร์โบเซื้อว่ามีบุญมีบาปไปตั้งหักนะโซเฟอร์จะจะออกมาจากรถกองโอ้ยฮ้ มีแตาผาจำตูดแล้วลงไปเพราะเหตุใดบมมีผาชิโนงอีกแนวเพราะเหตุเพราะพระได้สั่งบุญสั่งกุศลไว้ไนี่ยเพราะนั้นพราะพระพุทธเจ้าพระจะตั้งอยู่ในความประมาทหนะ้าหลูกหลานหนะ้าตายละบอสูญนเะนีออกจากร่างนะนะั่นน่ะให้สั่งบุญสั่งกุศลไว้ให้ท่ำบุญท่ำกุศลไว้ให้ท่านรักษาะศีลพ่อวหน้าไวนะ้เนาะให้สั่งสมหางเงินไวนะ้เนาะขั้นนะว่าตัวเองขี่ข้านหางเงินเนะี่ะพ่อลดขั้นนี้มดสภาพแล้วนะั่นตัวเองที่หางเงินใสละ่ะ สิ่งเงินไปใสไปซื้อรถกันอื่นอีกหลักมันบม่มีเงินสซืส้อได้พอในนให้เตรียมไปเนนะอย่าตังอยู่ในความประมาทเนอะให้สร้างสมคุณงามความดีไปนะเนอะนี่แหละเพื่นสอนโซเฟอร์ว น, นไปพระนั่งขอให้พวกเข้าคณะทัตธาญาญมลูกหลานทุกคนเนอะเมื่อหนิงหลวงพ่อได้บอกแนวความคิดให้กับคณะทัตธาญาญมลูกหลานกู้บ่ายจานนองนองทั้งหลายเพื่อเป็นแนวความคิดกับพวกเข้าท่านทั้งหลายในการกล่าวและการพูด